แล้วก็ใครมีคําถามไหมเริ่มเริ่มที่จะพูดคนเดียวรู้สึกว่าห้องมันเงียบเกินไปพูดพูดไปเยอะๆเนี่ยมันก็มันก็เป็นแกงหม้อใหญ่นะแกงหม้อใหญ่รู้จักแกงหม้อใหญ่ไหมแกงม ห, ห ม, กงม้อใหญ่เนี่ยเวลาเขาทำทำอาหารให้กับคนเยอะๆเขาก็ต้องปรุงรสแบบจืดๆเข้าไว้ก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นร้านกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาก็ พัฒนาการมาได้โดยสมบูรณ์แล้วตรงที่ว่าเราก็ปรุงรสกลางๆไว้กว่อนใครอยากเผ็ดใครอยากเค็มใครอยากหวานเขามีพวงพริกไว้ให้อนนี้เรากินเราก็ปรุงแกงหม้อใหญ่ไว้ให้ก่อนนะพอสอบถามค่ะถ้าดีสังเกตตัวเองว่าหลายครั้งจะมีความลังเลสงสัยในตัวเอง หรือว่าอาจจะในในตัวเองเลยค่ะทาให้เหมือนไม่กล้าลงมือทําอะไรที่ควรจะทําแล้วพอมันเกิดขึ้นซ้ำๆมันก็เหมือนทำลายกําลังใจของตัวเองอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทาให้จิตใจขุ่นมัวไม่ทราบ ว, ว่าควรจะมีวิธีคิดหรือปฏิบัติย่งไรสงสัยกับลังเลไม่เหมือนกันนะสงสัยหรือลังเล ถ้าสงสัยก็คือเราไม่รู้ว่าผลมันจะคืออะไรแล้วเราก็ไม่อยากทำใช่ไหมแต่ถ้าลังเลบางทีเรารู้สึกว่ากับคนรอบข้างเราอาจจะเกรงใจหรืออะไรหลายๆอย่างเราก็เลยรู้สึกไม่อยากทําเพราะฉะนั้นมันก็มีสองส่วน่ะมันส่วนไหนส่วนคนรอบข้างหรือเปล่าหรือว่าส่วนเกี่ยวกับเนื้องานที่เราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจมันอะไรองนี้ น่าจะเป็นในส่วนของเนื้องานแล้วมันก็กลายเป็นกลับเนาะสงสัยในตัวเองว่าเราจะทําออกมาได้ดีไหมมันก็เลยทําให้เหมไม่ไม่ลงมือทอําองอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ด้วยการลงมือทําไปก่อนนะง่ายๆคือคนเราเนี่ยมันมันต้องเหยียบย่าบนความผิดพลาดอะมันถึงจะสง่า ง, งามนะอีกอย่าง อย่างตอนนั้นฟังใครเขาพูดให้ฟังเัวอย่างของ Facebook นี่เขาก็มีนะเขาเรียกว่าผิดพลาดให้เร็วเขาใช้คำมันเขาแปลมาอย่างนี้นะผิดพลาดผิดพลาให้เร็วเร็วผิดพลาดให้มันเร็วถ้าเราทําไปนานๆแล้วมันผิดพลาดมันเสียเวลาแต่ถ้าเราผิดพลาดเราผิดพลาดให้มันเร็วแ้วเราจะได้แก้ไขให้มันเร็วอันนี้ดีกว่าคือมันมันไม่มีใครที่ว่าทําแล้วไม่มีผิดพลาดหรอกมันไม่มีมันมีอุปสรรคทุกที่ทุกตรงทุกทุกุกอันนั่นหลยเพียงแต่ว่า เราแก้ไขให้มันเร็วดีกว่าแต่ถ้าเราต้องการว่าไม่ผิดพลาดเลยนะอันนั้นเนี่ยมันมันวางใจไว้ไว้แบบนั้นมันสุ่มเสี่ยงกว่าเพราะหนึ่งคือเรพลาดไม่ได้เลยอพอพลาดไม่ได้มันเหมือนเรายืนอยู่บนปากเหวแ่ะถอยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามันเหมือนกับคนที่ไม่ได้ยืนบนปากเหวอะมันสบายกว่ากำลังใจก็มีมากกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ถึงว่า่ะ ทำให้มันผิดไปแต่อย่าผิดเยอะแล้วก็อย่าผิดนานๆอย่าผิดซ้ำซากคนที่ผิดแล้วไม่น่าให้อภัยคือคนที่ผิดซ้ำซากแต่คนที่ผิดแล้วรู้จักแก้ไขอ่ะอันนั้นคือคนที่จริงๆก็ควรจะเอาไปใช้งานบ่อยๆรู้จักแก้ปัญหาแล้วก็รู้จักที่จะปรับปรุงอะแล้วก็ถ้าไม่ผิดซ้ำซเนี่ยดีแน่นอนเพราะว่าคนนี้มีทักษะในการที่จะรุ่ยงาน มีทักษะที่จะแก้ไขปัญหาให้มันรุ่ร่วงไปได้มันก็บ่งบอกมาถึงกําลังใจด้วยว่าคนเนี้ยทําอะไรไม่ท้อถอยมีอุปคือถ้าบอกว่าไม่มีอุปสรรคแล้วทุกคนทํางานเสร็จหมดมันก็ยังไม่ไม่เจ๋งไงแต่คนที่ทํางานแล้วมีอุปสรรคแล้วก็ฝ่าฟันแล้วก็ทําให้มันสําเร็จได้คนนั้นเน่ยคนมีคุณภาพนะเพราะนั้นเราเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆนิดหน่อยมันก็ทําให้ใจรเราเอาสบายขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องพลาดมันเป็นเรื่องปกติ ก็เหมือนอย่างเราทำสมาธิเหมือนกันใช่ป่ะหราบอกว่าโอ้มันเป็นเผลอมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติจริงๆของของคนที่ทำสมาธิเพราะฉะนั้นแค่แค่ว่าเราค่อยๆปรับปรุงมันให้มันมีคุณภาพที่ดีขึ้นอยากให้แบบย่ำอยู่กับที่แล้วซ้ำซากแล้วก็แย่ลงไปเรื่อยๆอย่างนั้นไม่ดีแต่ถ้าเราทําอยู่แล้วเราคอยคิดคอยวิเคราะห์ว่าเราควรจะไปทางไหน แล้วอย่างหนึ่งที่มาสําคัญก็คือว่าทีมงานนะทีมงานอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสเอาไว้ว่าการยาน้ำมิดสําคัญนะการยานามิตรเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีการยานามิดมันก็ไปยากมันไม่มีคนช่วยเพราะฉะนั้นถ้าภาพคือคือเราจะลุยเดี่ยวเนี่ยก็หาคนช่วยซะเราก็จะได้ไปง่ายขึ้นถึงอาจจะไม่ช่วยทํางานก็ช่วยคําปรึกษาก็ยินดี ดังนั้นพื่อนฝูงว่าเป็นเรื่องสําคัญนะอย่าเป็นเด็กเนิร์ดเข้าใจไหมถ้าเป็นเด็กเนิร์ดในชีวิตมันจะไปยากเพราะฉะนั้นการมนุษย์อะ่ะมนุษย์มันก็เป็นสัตว์สังคมใช่ป่ะเพราะเป็นสัตว์สังคมเนี่ยเราเร า, เราต้องมันพึ่งพาอาศัยกันอย่างวันนี้ทุกท่านก็อยากจะพึ่งพาอาศัยทางด้านจิตใจใช่ไหมวันนี้เราก็มาบรรยายให้ฟังว่าเตอถ้าเราจะมาพัฒนาศักยภาพท้งด้านจิตใจเนี่ยเราต้องทำอย่างนี้ เพราะนั้นเราก็มาเป็นกัญยะาณมิตรกันแต่แน่นอนว่าแต่ละคนแต่ละคนก็มีทักษะที่มันหลากหลายต่างกันมีความชำนาญต่างกันเราก็อาศัยซึ่งกันและกันนั่นแหละประครองประครองกันไปเพราะนั้นกาลังใจที่เราจะลุยสร้างจากการนี้เราไม่กลัวความผิดพลาดจะดีแต่ไม่ใช่ประมาทนะคือทุกอย่างมันก็ต้องเป็นอุปสรรคันแหละ แกอย่าไปกลัวความล้มเหลวคนที่กลัวความล้มเหลวก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วมันก็ไม่ได้ทำอะไรทําไปเลยชีวิตมันจะได้ก้าวไปนขน้างหน้าขอเสริมอีนิดหน่อยเสริมอนิดหน่อยไอ้ประเด็นเมื่อกี้ที่พูดไปเนี่ยก็คือรวบไปเลยระหว่างทางด้านร่างกายกับจิตใจใช่ทางด้านงานเนี่ยงานที่เราควรจะต้องบริหารเนี่ ย, ยมันมีสองอย่าง สองอย่างก็คืองานที่เรียกว่าภายนอกกับงานที่เรียกว่าภายในงานภายนอกก็คืองานทั่วไปนี่แหละที่เราทำหาอยู่หากินของเราเนี่ยนะอันหนึ่งแต่ิงานภายในก็คือทางด้านจิตใจของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้มันชัดเจนระดับหนึ่งด้วยนะว่าปัญหาอนเนี้ยมันเป็นปัญหาทางด้านภายนอกเท่าไหร่ส่วนไหนแล้วก็เป็นปัญหาทางด้านจิตใจเท่าไหร่ ตรงไหนเราถึงจะแก้ไขได้ดีได้มีประสิทธิภา พ, พาว่าอย่างเรื่องกําลังใจเป็นเรื่องของจิตใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็แก้ปัญหาแบบจิตใจแต่อย่างเรื่องตัวเนื้อ ง, งานด้านภายนอกอ่ะถ้ามันยังไม่ได้เราก็ต้องพึ่งข้างนอกไปนอกพึงเพื่อนบ้างพึ่งคนน้นคนนี้บ้างแต่ถ้าเป็นเรื่องกําลังใจเราก็ต้องเรื่องจิตใจอ่ะเราก็ต้องบริหารไปหนึ่ง ถ้ามันผิดแล้วมันเป็นยังไงก็ต้องคุยกับตัวเองผิดแล้วมันเป็นไงแล้วมันร้ายแรงขนาดจะต้องโดนสั่งไปตัดหัวไหมอ้ามันไม่ขนาดนั้นอถ้ามันผิดแล้วเราแก้ไขเป็นเนี่ยเขาจะว่าเราอีกไหมแล้วพอหัดคุยอย่างนี้มันจะได้มีกําลังใจที่เราจะสู้สู้แล้วก็ลุยกับมันเพราะฉะนั้นความชัดเจนทางปัญหาระหว่างร่างกายกับจิตใจเนี่ยต้องต้องชัดเจนกับตัวเองด้วยนะ มีคําถามอื่นไหมกราบนรรมสการพระอาจารย์เจ้าค่ ะ, อ, ะ, อ, ะ, อ, ะอยากจะข อ, อกราบเรียนถามเรื่องการนั่งสมาธิเจ้าค่ะคื อ, อนั่งสมาธิที่ที่เคยปฏิบัติเจ้าค่ะก็คือมันมันนั่งแล้วก็ดูลมหายใจเสร็จ แ, แล้วลมหายใจมันก็หายหายไปแล้วมันก็อยู่กับสภาพที่ไม่มีลมหายใจคือคือมันไม่รู้สึกในในลมะะค มันก็เหมือนกับนั่งดูตัวเองอก็ก็นั่งดูไปไงเจ้าค่ะแล้วก็ก็ไม่ได้มีอะไรจนกระทั่งสุดท้ายมันก็คือลมหายใจก็จะค่อยขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ก็ออกมาอย่างนี้เจ้าค่ะคือไม่แน่ใจว่าคนควรจะทํายังไงหรือว่าก็นั่งดูไปอย่างนั้นเจ้าค่ะก็คือติดอยู่ตรงเนี้เจ้าค่ะเชี่เห็นถึงอันนี้ก่อนเวลาที่เรามีความทุกข์ใช่ไหม ในศาสนาเนี่ยเวลาที่เราเรียนกันเนี่ยว่าไอ้ศาสนาเนี่ยทางเดินเป็นยังไงส่วนมากเราก็จะได้ยินกรอบง่ายๆที่เขาชอบพูดกันก็คือว่าศีล ส, สมาธิปัญญาใช่ไหมสีนสมาธิปัญญาศีลนั่นก็เป็นกรอบกรอบชีวิตของเราอ่ะว่าเราควรจะอยู่ในกรอบนี้นะจะได้ไม่เดือดร้อนสมาธิก็คือความสงบใจ ทำความสงบอย่า ง, างเมื่อกี้เราก็ได้ความสบายสบายใจแต่มันไม่สบายแบบมันไม่ใช่แบบว่าเหมือนเราไปดูหนังฟังเพลงนะมันเป็นความสงบสบายอีกแบบหนึ่งทีนี้อีกอันหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันเป็นอีกขั้นหนึ่งด้วยก็คือให้ใจของเราเนี่ยมันเข้าใจในเรื่องราวต่างๆตามความเป็นจริงด้วยเพื่อที่จะลดทอน สิ่งที่มันจะมันกระทบใจเราคือเราไม่สามารถที่จะทรงสภาวะไอแบบที่ว่าเมื่อกี้ได้ตลอดทั้งวันหรือว่าในระหว่างทำงานเราทำแบบนั้นไม่ได้แต่สิ่งนี้มันจะช่วยได้ก็คืออันนั้นอนะมันช่วยทำให้เราได้กำลังใจได้ความสบายใจได้ความสงบใจก็เหมือนกับเราได้พักผ่อนเพิ่มเวลาทเราทำงานเหนื่อยเราทำงานล้ามาเราก็ยังต้อง ไปเอนหลังเองเข้าอี้เพื่อพักผ่อนใช่ไหมการที่เราเข้าสมาธิได้อย่างเมื่อกี้เราก็มีความสบายใจขึ้นเราก็เรียกว่าเราได้พักจิตเราได้พักใจแต่อย่าให้มันหยุดอยู่แค่นั้นหยุดอยู่แค่นั้นมันไม่ดีทีนี้พอใจเรามันสงบสบายแบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ พ, พุทธเจ้าอยากจะให้ทําต่อไปก็คือว่าเอาไอ้ความสบายความสงบอันนั้นเนี่ยเอามาตรองสิ่งต่างๆ ให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงในแบบที่มันเป็นพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะมีคำถามว่าเฮ้ย hey, แล้วเราไม่รู้ความจริงอย่างไงใช่ความจริงอะอย่างเช่นเราบอกว่าง่ายๆเลยใครๆเกิดมามันก็มีเกิดใช่ไม่มมันก็มีแก่ใช่ไม่มมีเจ็บไข้ใช่ไม่มแล้วก็ตายอันนี้คือเบสิกง่ายๆมีใครไม่รู้เบสิกอันนี้บ้างมีไหม ไม่เคยได้ยินเลยว่าคนเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใครๆก็รู้ใช่ไหมว่าอันนี้มันเป็นเบสิกที่เราเรารู้กันมาตั้งแต่เด็กแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้ว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บไข้เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์เราเคยรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะแก้ทุกข์แบบนี้ได้ไหมเราอย่างเช่นนะอย่างเช่นแบบพอจะ ขึ้นสี่ิบเนี่ยตัวคนนี้ก็ต้องไปซื้ออะไรมาโบโบโบโบโบเต็มเลยเพื่อแบบว่าเฮ้ยฉันไม่อยากมีรอยตีนกาอยู่เฮ้ผมฉันเริ่มขาวแล้วฉันไม่หาอะไรมาโปหัวหน่อยหรือไม่ก็แบบทำงานออฟฟิศมากเหลือเกินปวดป่าปวดหลังปวดเอวเฮ้ยฉันเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมแล้วอเฮ้ยกระดูกหมอนรองกระดูกฉันไม่ค่อยดีแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วเราก็ วุ่นวายไกับใจเรามันก็วุ่นวายไปกับการหาหมอใช่ปะหรือไม่ก็ไปวิ่งวิ่ ง, ว, งวุ่นไกับเคลมต่างๆหรือไม่ช่วงนี้โทรทัศน์ก็อาหารเสริมสุขภาพเต็มไปหมดเลยแล้วก็เฮ้ยลองตัวนั้นดีไหมลองตัวนี้ดีไหมมันชี้ให้เห็นว่าอะไรมันชี้เห็นว่าตอนเนี้ยมันอาจจะยังไม่ป่วยหรือว่าไอตีนกามันก็ไม่ได้ทําให้เราป่วยแต่สิ่งนี้มันป่วยคือป่วยใจแล้วถูกไหม ป่วใจแล้วเราเห็นตีนกาเราส่องกระจกวิ่งรับไม่ได้เห็นมีร่องต้องแก้มว้เรารับไม่ได้ไอ้เรามีใยมีกระมีอ น, นี้รับไม่ได้รับไม่ได้เราก็โอ้โหทุกใจทุกใจแล้วก็เราต้องวิ่งไปบรรเทาเหมือนตรงนี้ว่าไป เ, เรามีเงินแล้วก็ฟาดมันไปกับการแก้ทุกข์โดยใช้เงินไปเพื่อที่จะปรับสภาพให้ต่นกามันไม่มีนะหรือไม่ก็ฟากระหายไปนะหรือไม่ก็แบบว่า ผมน้อยเต่ไปเสริมผมหน่อ ย, อยงนี้เป็นต้นเแล้วก็ถามกลับไปว่าให้เรามีติกาแบบมีความสุขไม่ได้เหรอเฮ้ยเราแบบผมขาวเราแบบมีความสุขไม่ได้หรือไงแล้วเราแบบว่าอายุเรามันถอยหลังไม่ได้อะมันไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วเรามีความสุขไม่ได้หรือไงใช่ไหมแล้วก็แบบว่า เฮ้ผมมบนหัวแล้วมันร่วงไปเรื่อยๆเงี้ยเออเรามีความสุขไม่ได้ยังไงทาไมเราต้องทุกข์ด้วยใช่ปะเพราะอะไรเพราะว่าใจของเราเนี่ยมันบอกว่าเฮ้ยความสุขของเรามันได้จากการที่มันจะต้องไม่มีปีงการนะมันจะต้องขิวมันก็ต้องแบบใสกระจ่างนะไม่มีฝ้าไม่มีกระนะหรือไม่ก็ต้องแบบคนคนป่วยก็แบบไม่ไม่ได้ฉันจะต้องหายเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ย ใจเราเนี่ยมันมุ่งไปแบบนั้นมีความเห็นแบบนั้นแล้วก็ถ้าเราได้ตรงนั้นมาปุ๊บเราเราก็จะมีความสุขอย่างเช่นเราไปซื้อขีดมาเราก็โบไปโบโปโปแล้วแบบเฮ้ยแหมติ้งก้าหายไปแล้วแล้วก็โอ้ดีชีวิตฉันแบบแฮปปี้เหมือนเดิมอันนี้มันเป็นความสุขที่มันยุ่งยากนะแต่ถามว่าเรามีแล้วเราความมีริ้วรอยแล้วเรามีความสุขไม่ได้ยรือไงแต่การที่เรามีริ้วรอยแล้วเรา ทำให้มันริ้วรอยมันหายไปได้เนี่ยเขาเรียกว่าเราฝืนความเป็นจริงไปได้นิดหนึ่งแต่ริ้วรอยเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่เพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยที่มันเป็นทุกข์ในแบบที่บางทีเราอาจจะไม่รู้สึกว่ามันทุกข์เนี่ยก็คือว่าอะไรบ้างที่มันทำให้เป็นทุกข์คือใจเราเนี่ยมันขานกับความเป็นจริงขานกับความเป็นจริงนะแต่ถ้าเราไม่ไม่หัดคุยไม่หัดตั้งคาถามเพื่อที่จะมองให้เห็นถึงความเป็นจริงได้ เราก็จะทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละทุกข์ไปกับการที่เราวิ่งสรารวลไปกับการที่จะไปหาอุปกรณ์หาเครื่องมือที่จะมาสวนทางกับความเป็นจริงเนี่ยสวนทางความเป็นจริงหมายความว่าเรามันมุ่งหน้าไปแก่มุ่งหน้าไปตายใช่ไแต่เราก็พยายามจะมุ่งหน้าให้มันเด็กลงหรือไม่แก่หรือไม่ตา ย, ยาเพราะใจเราเนี่ยมันค้านมันค้านแบบนี้แล้วเนี่ยชีวิตเราก็จะเริ่มหนักเพราะนั้น เอาความสงบอันนั้นเนี่ยที่มีที่ได้เนี่ยมาคอยตรองให้มันเข้าใจเห็นถึงและยอมรับความเป็นจริงในแบบที่มันเป็นให้มันได้แต่ทำไมต้องมีความสงบเพราะว่าเราบอกเอ้ยเราคิดอย่างเดียวมันก็มันน่าจะพอแต่เราก็เห็นเนี่ยว่าคนที่แก้ทุกขโดยความคิดเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่ประสบสความสำเร็จในการแก้ทุกได้อย่าง อย่างดีเยั ง, ยงไม่ใช่อย่างหมอจิตเวชอย่างเงี้ยเขาก็เป็นนักคิดช่ตวิภาคหมอจิตเวชนี่พอมีครบชั่วโมงเขาต้องไป บ, บําบัดของเขาเหมือนกันนะแล้วเขาก็ต้องแบบว่าเขาก็มีทุกข์ของเขาอ่ะใช่ไหมนอกจากพระพุทธเจ้าหรือเหล่าพระอรหันตนะ์น่ยที่เขาแบบฝึกใจมาดีแล้วอะเขาก็แบบสบายใจ บ, บําบัดตัวเองก็ได้เพราะการที่ใจ กับความคิดเนี่ยมันยังมันยังไม่ใช่อันเดียวกันเรามีความคิดที่ดีแต่ใจเรามันยังค้างกับความคิดของตัวเองเนี่ยมันก็ยังทุกข์อยู่เหมือนเดิมใช่ไหมเราบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกป่วยก็ได้เราก็คิดของเราลนะป่วยก็ช่างมั น, มนจะมีตีนกาก็ช่างมันใช่ไหมมันก็บันเทาไปได้พักหนึ่งแต่พอเราส่องกระจกมาอีกทีหนึ่งเราก็ยัง มันจีดอยู่ตลอดไอ้ติงการนี้มันจีดเราอยู่ตลอดโอ๊ยหน้าฉันไม่ใสเท่ากับเพื่อนละเพื่อนฉันหน้าใสมันใช้ครีมตัวนี้เนี่ยมันใสเลมันก็จีดอยู่ตลอดเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้แก้ที่ใจเราเราบําบัดมันด้วยความคิดเฉยๆว่าอะไรคือความถูกต้องซึ่งมันได้ผลอยู่แต่มันไม่ได้ผลแบบเด็ดเสร็จเด็ดขาดเท่าที่ควรแต่ถ้าเราแก้ที่ใจปุ๊บเหมือนอย่างที่ตั้งคําถามไปเมื่อสักครู่ว่า เฮ้ทำไมอ่ะเราจะสวยแล้วเราจะมีความสุขอย่างคนมีตีนกาไม่ได้หรือไงฉันจะสวยอย่างฉันเป็นแบบนางพญาผมขาไม่ได้แล้วไงถ้าเรายอมรับได้ใช่ป่ะช่างมันช่างมันเนี่ยชีวิตเรามีความสุขได้ะแต่การที่มันช่างมันเนี่ยนะมันไม่ได้ทํากันง่ายเพราะช่างมันเนี่ยมันไม่ได้ช่างมันสั่งที่ความรู้สสั่งที่ครัวสมองแต่มันลงไปสั่งนีจใจว่าให้มันปล่อย ปล่ยความรู้สึกอันนั้นออกเพราะฉะนั้นกำลังของใจจึงเป็นสิ่งสําคัญการฝึกใจจึงเป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นไอความสงบอันนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเครียกว่าโดนคลายความรู้สึกบ อ, อกจากความรักโลกโกรธหลงไปก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเรารักอะไรมากๆเนี่ยเราไปบอกว่ามันไม่ดีมันก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ใช่ไหมแต่การที่เรากินอารมณ์ของความสงบใจเรามันจะโดนปรับสภาพมาอยู่ความเป็นกลาง แล้วความอย่างที่บอกไปไอ้ความถูกต้องเนี่ยมันจะมีอํานาจมากขึ้นมากขึ้นชัดเจนขึ้นที่ใจของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยใจของเราเนี่ยพอพิจารณาความจริงมาใช้อยู่บ่อยๆเหมือนสารตัดสินนะถ้าเกิดสารลําเอียงมันก็ตัดสินไม่ถูกต้องใช่ไหมแต่ถ้าสารที่มันมีความยุติธรรมก็คือมันต้องเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช่ไหมเพราะงั้นการที่เรามีความสงบเนี่ยใจเราเนี่ยสภาพจิตใจอารมณ์ในใจของเราเนี่ย มันเป็นอารมณ์ที่มันไม่ค่อนไปทางติดลบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ค่อนไปในทางอารมณ์ที่มันชอบพอสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นก็มาเป็นอารมณ์กลางๆนี่แหละพอเรามีอารมณ์กลางๆอย่างนี้ได้เนี่ยการที่เราจะพิจารณาให้มันเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งที่พูุ้ทธเจ้าแสดงเอาไว้ให้แล้วเนี่ยมันง่ายขึ้นมันจึงเป็นสิ่งจาเป็นกันอันนี้ก็ พัฒนาจากความสงบในภายในความสุขในภายในมาพัฒนาเป็นอาวุธที่จะเอาไปใช้เพื่อที่จะต่อสู้กับสิ่งที่มันมากระทบใจคือความทุกข์ด้วยนะพระอาจารย์หมายถึงว่าคือหลังจากที่ออกมาแล้วเนี่ยค่อยเอาตรงนั้นไปพิจารณาคิดต่อเนี่ยใช่หหรือหรืออยู่ในในสมาธิแล้วเนี่ยถ้าเราพิจารณาไปด้วยก็ก็ได้ที่มันสงบนิ่งๆแล้วเนี่ยเราก็ ผมเราเนี่ยเป็นยังไงอผมเรามันเป็นของที่เราเราอาจจะแบบเออเราชอบไปทําผมอะผมทรงนี้ก็เก๋ทรงนั้นก็สวยสมมตินะเราก็ทําไมเราถึงรู้สึกว่าผมเราเนี่ยมันให้ความสุขเราได้มากขนาดนี้เราจะไปทําทรงนั้นทรงนี้แล้วเราได้รับความสุขจากการที่เราทําทรงผมทําไมเรามีความชอบในทรงผมด้วเพราะอะไรทําไม มันมีทรงผมทรงเดียวทรงนี้เรามีความสุขไม่ได้หรือไงอย่างเงี้ยก็ค่อยๆค่อยๆ ค, คลายความเห็นผิดของมันไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเห็นว่าไอ้ผมนะที่ว่าสวยมันมั น, ม, นมันของดีของดีจริงหรือเปล่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เรื่อยๆเนี่ยมันจะแสดงความเป็นตัวตนจริงๆของมันนะให้เราเห็นพอเราปล่อยมไว้นะสาวันห้าวันเจ็ดวันนดงไง มันก็จะเริ่มแบบมีกลิ่นใช่ไ่ะทิ้งไว้สักเดือนหนึ่งอะ่ะหวีผมก็ไม่ค่อยไปละจับกันเป็นก้อนเลยอย่างเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นของน่ารังเกียจมากกว่าของที่เราจะเชื่อชมยินดีเพราะว่าธรรมชาติของมันเป็นสิ่งที่ของไม่สะอาดเป็นของไม่สะอาดร่างกายของเราเหมือนกันมันก็เป็นของไม่สะอาดนั่นแหละทำไมเราต้องซักเสื้อทุกวันเพราะว่าอะไรก็เพราะาร่างกายเรามันสกปรกนี่แหละ แต่พอ อ, อธิต่างผู้ชายชอบผู้หญิงผู้หญิงชอบผู้ชายเงี้ยเราไม่เห็นรังเกียจร่างกายของอีกฝ่ายหนึ่งเท่าไหร่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาก็ตกแต่งหลอกเรามาดีซะดีแล้วระดับนึงใช่ไหมแต่ที่อีกอันหนึ่งก็คือเราก็ยอมให้โดนหลอกด้วยเพราะว่าเราไม่ได้มองเห็นความจริงของร่างกายอันนี้ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นของสกปรกนะทําไมเราถึงอยากที่จะ อยู่ใกล้อยากที่จะกอดอยากที่จะคลุกคลีอยู่ด้วยเพราะว่าเราก็มีความรู้สึกมันเป็นของน่ารักใคร่ยินดีพอใจแต่พอเราเห็นจริงจรงจังๆว่ามันก็เป็นของไม่สะอาดอาธิต่างว่ามันเป็นขี้กาขี้เกลื่อนเป็นโรคเรื้อนขึ้นมาอย่างเงี้ยคนเดิมนั่นแหละเราอยากจะกอดเข้าไหมมันก็ไม่อยากนะแล้วทําไมของสิ่งเดิม คนเดิมมันถึงให้ความรู้สึกไม่เท่ากันเนี่ยเราก็ต้องคอยคุยกับใจเราอย่างเงี้ยเรื่อยๆเราจะได้เข้าใจเห็นถึงความเป็นจริงว่าเฮ้ยความเป็นจริงเนี่ยที่รร้เจ้าตรัสไวออ้มันจริงแล้วแต่มันไม่ได้พิจารณาไปเพื่อเราจะไปตังเกียดเขาละไม่ใช่แต่พิจารณาเพื่อให้เราเนี่ยไม่หลงมัวเมาจนเกินไปเราจะมีความจริง ที่เราพิจารณาดีแล้วเนี่ยมาคารกับความความรู้อันเก่าความรู้สึกอันเก่าให้เราเนี่ยไม่หลงไปยึดติดไม่หลงไปผูกติดมากจนเกินไปพอเราไม่หลงผูกติดไม่ยึดติดกับมันมากเนี่ยเราก็ช่างมันได้ง่ายขึ้นเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงเวลาที่มันไม่ได้ดั่งใจเนี่ยเราก็จะช่างมันได้ง่ายขึ้นช่างมันนี่มันก็ไม่ได้ทาง่ายเพราะนั้นเพราะนั้นการที่เราหมั่นที่จะ เห็นความจริงแล้วพัฒนาไปถึงความที่ไม่ผูกติดผูกยึดกับมันได้เนี่ยช่างมันเนี่ยมันจะทำได้ดีแล้วก็มีประสิทธิผลที่ดีเราก็จะช่างมันได้ปุ๊บเราก็ไม่กระเทือนใจเราก็มีความสุขใจได้ดีขึ้นครับขอบพระคุณเจ้าค่ะ